พระไตรปิฎกฉบับประราราชาชนเล่มที่สิบสามวรที่ห้าชื่อพราหมณาวรคว่าด้วยพรามมีสิบสูตรพระสูตรแรกของวรที่ห้าพระสูตรที่สีิบเอดจากเล่มสิบสามพรอ ม, มายุสูตรสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อพรมมายุพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ รมมายุพรามซึ่งเป็นผู้เท่าเป็นพรามผู้ใหญ่เชี่ยวชาญไตรเวทรู้จักศาสตร์ว่าด้วยคดีโลกและมหาปุริสักสนะได้ยินกิตติศท์เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคจึงใช้อุตรามานบผู้เป็นสิทธ์ให้ไปติดตามดูมหาปุริสักสนะเมื่ออุตรมามนพได้ไปสังเกตเห็นเป็นส่วนมากบางส่วนที่เห็นยากพระผู้มีพระภาค ก็ส่งแสดงอิทธาพิสังขารคือแสดงโดยฤทธิ์ให้เห็นและบางข้อก็ไม่ต้องแสดงฤทธิ์เพียงแต่เปิดโอกาสให้เห็นอย่างธรรมดานอกจากนั้นอุตรมานบยังติดตามดูความเป็นไปของพระผู้มีพระภาคทุกอิริยาบถตลอดเวลาเจ็ดเดือนแล้วไปแจ้งให้พรมมายุพราามทราบถึงลักษณะสาสิบสองประการและความเป็นไป แห่งอิริยาบด ท, ทั้งปวงรมมายุพรามก็ลุกจากอาสนะทําผ้าห่มเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปยังทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เปล่งอุทานนอบน้อมพระผู้มีพระภาคคือบทนโมตัสสะสามครั้งแล้วได้เดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงป่ามะม่วงของพระเจ้ามคทเทพเมื่อไปถึงแล้ว ได้ใช้อุตระมานพเข้าไปกราบทูลก่อนด้วยถือว่าเป็นมารยาทที่จะเข้าไปเฝ้าต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือเชือ้อเชิญเมื่อมานพไปเฝ้ากราบทูลและพระผู้มีพระภาคทรงเปิดโอกาสแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะเมื่อได้เห็นครบทั้ง32ประการแล้วจึงทูลถามปัญหา ปัญหาที่ทูลถามนั้นเกี่ยวกับคุณธรรมของพรา์ผู้รู้เวทผู้มีไตรวิชาผู้มีความสวัสดีผู้เป็นอรหันต์เป็นเกวลีคือผู้มีความบริบูรณ์สิ้นเชิงผู้เป็นมุนีผู้เป็นพุทธะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบแสดงคุณธรรมเหล่านั้นแล้วรมายุพรหมก็มอบแท่พระบาทด้วยเสียรกล้าวเอาปากจุมพิษพระบาท เอามือนวดฟันพระบาทประกาศนามของตนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือถ้อยคําที่กล่าวโดยลำดับและเรื่องอริยสัจสี่รมมายุพรามได้บรรลุธรรมะแล้วจึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จไปฉันแล้วพักอยู่ในแคว้นวิเทหะนั้นอีกเจ็ดวัน ก็เสด็จจากไปต่อมาไม่ช้ารมมายุพรามก็ถึงแก่กรรมเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามถึงกติจึงตรัสตอบว่าเป็นอนาคามีบุคคลไม่กลับมาสู่โลกนี้อีก